<Book> <77. S 3> บ, บุ๊กทูเจสิบเจ็ดดบไพเยดเหตุผลบางประการสามการณา์อะไรชะปดา ม, มูดทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะมีรูเค้กยัดูกินดัด น, ดนเลยดู ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะเนนุบารูตะกาลีดิฉันไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะนนุบารูตะกาลีอันนีเกี่นเก๊ตะนดันเลดทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์คะไมรบเบียร์ยันกะัเลดดิฉันต้องขับรถค่ะเนนุบันตินนดาลี ดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะเนี่ยนุบันเดือนนัดพะลีอันที่แค่เนี่นุเีร์ทากระดันเล็ด u ทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะมีร์กาแฟเย็นดกท่ากระดอนเล็ด u มันเย็นแล้วค่ะอันนี้จะลักเอาอันดีดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะ อดีฉัน ล, ละก็อุ่นดีอันนี้เกนินกาแฟตากดัดนเดทำไมคุณไม่ดื่มชาคะมีรูทีนทุกตากดัดนเลดูดิฉันไม่มีน้าตาลค่ะนาวดดาชักกันเลดูดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้าตาลค่ะนาวดดาชัก ก, นเเนนกันเลดูอันนี้เกนินทีตากัดนเล ทำไมคุณไม่ทานซุปมีรอซูปเป็นตุกตากันเลดดิฉันไม่ได้สั่งค่ะเ น, นี่ด่านนี้อะไรกเลยดดิฉันไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะเนีดา น, นี้อะไรกัเลยดอันดิเกเรในซูปตากันเลยดทำไมคุณไม่ทานเนื้อค่ะมีรมอมซมีันตกตินดันเลดู ดิฉันเป็นมังสวิรัตค่ะนี่หนูสากาหาริดิฉันไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะนี่หนูสากาหารินิกับตีนี่หนูมามซัมทะเันเลยดู